มีแต่เราแต่เราไม่เห็นพรเราตั้งสติไว้ตรงไหนใช่ไหมมันก็มันก็พอสมาธิมันมั่นคงขึ้นตั้งมั่นขึ้นทั้งหลายมันก็แปลเปลี่ยนตามสัญญาเนื้อมิตรามาจากสัญญาเราบางทีไม่ได้เป็นแสงเราที่เป็นเขาขาวเป็นอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่ใช่ไหมเพราะสัญญาของคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหม บางคนนิมิตแรกๆมามันเป็นเหมือนไออย่างอื่นไปทั่วก็มีเยอะหมดบางทีเราไปกําหนดบอกว่าแ ส, แสงแสงแล้วก็จะจ้องดูแสงใช่ไหมบางทีมันเป็นควันก็มีเป็นเหมือนก้อนเมฆก็มีก็แล้วแต่แต่ประเด็นคือมันอยู่ที่สัญญาเราไงเพื <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่เผลอบางทีพวกนักวาดภาพมันเถึมเป็นภาพขึ้นมาเลยวนี่เพราะสัญญามราเก็บไว้ในใจนี่ใช่ไหม มันก็มาแปลเปลี่ยนพอสติมันเด่นชัดขึ้นจิตมันสะอาดขึ้นมามันก็ภาพอะไรขึ้นมามันก็กำหนดภาพมันก็เป็นนิมิตไปปัญหาเด็นก็คือว่าเวลาให้สังเกตนะว่าสติของเราเนี่ยเวลามันหยาบหยาบเนี่ยมันก็มันก็มองไม่เห็นไม่กระทั่งลมพอมันละเอียดขึ้นมาหน่อยสติแข็งแรงน่ยมันเห็นลมได้ไอตัวลมหายใจเข้าลไอลมหายใจออกก็เรียกนิมิต ใช่ไหมล่ะนั่นคือตัวนิมิตแล้วลมนั่นแหละนิมิตทีนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายเป็นที่ที่ทําให้จิตเนี่ยทำให้สตินะครับเป็นระลึกอยู่ที่ปเปรื่นไอ้ตัวลมมันวิงวงออว่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดนี่ใช่ไหมล่ะทีพอต่อไปเนี่ยนาเข้านาเข้ามันอธิกายเป็นสีขาวอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่เราก็ยังสยใส่ใจที่ลมที่กระทบกระทบเข้ากระทบออกอยู่นาเข้านาเข้ า, ข า, ข า, ข า, นาเนี่ยเป็นสีขาวที่พอสติมันเด่นขึ้นมามันก็เลยสว่างขึ้นมา ไอ้ลมมันก็มีอยู่ทตเนี้ไอ้พอสว่างขึ้นมาทตนี้ไอ้ตัวนั้นมันเลยขึ้นมาเด่นขึ้นมันเด่นขึ้นมามันก็เลยโอ้โหพสติมันมั่นคงขึ้นมามันมันไม่อยู่ใกล้ๆอย่างนี้เลยเนี้ยก็เลยเราแทนที่เราจะดูลมแล้วก็ปล่อยลมมาดูนิมิตใช่ไหมถามว่านิมิตจริงๆมันเป็นมีอยู่จริงไหมที่แรกมันของมันมีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราล็อกแค่ไหน สมาธิของเราสติของเรากําหนดอยู่แค่ไหนไอตัวตัวตัวนิมิตมันก็อยู่แค่นั้นทีนี้นิมิตมันก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นไอมันเด่นขึ้นเพราะอะไรเพราะเราใส่ใจกเพราะสมาธิมันเด่นขึ้นสติมันเด่นขึ้นมันก็เลยเด่นขึ้นแต่พอถ้าสติอ่อนแอลงมันหายไปไหมมันก็นแค่นี้ข้อตัวกําลังของสมาธิหายเมื่อไหร่นิมิตนี่หายเกี้ยงเลยไม่มีเหลือเลย ที่ที่ต้องทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นที่ให้จิตได้ทำงานสติได้ทำงานสมาธิได้ทางานเป็นที่ทำงานของจิตเป็นที่ตั้งมั่นของเขาเป็นที่ตั้งมั่นเพื่ออะไรพอเราสั่งสายในรอมต่างๆเราจะได้พักไม่หายไปไหนวันนี้นินมิตไม่อยู่เลยไม่มีที่พักก็จะยังเราก็เลยมาตั้งมั่นอย่าที่ถตรงนี้มันพักดิ่งแล้วมีความสุข พักทําไมพักเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นจิตมันใสจิตมันสะอาดจิตมันบริสุทธิ์จิตใสจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันเหมือนน้ําสะอาดเนี่ยมันมองเห็นชัดหมดนะปลาวิ่งหอยวิ่งปูวิ่งเดินเนี่ยเห็นกรวดเห็นทรายมันเห็นชัดหมดแต่ตอนนี้ไม่เห็นการที่เราไม่มองเห็นอะไรตามความเป็นจริงเพราะจิตมันสัดสายวัตถุประสงค์ก็คือทํำยังไงเพื่อให้จิตมันไม่ซัดสาย จะเอารูปภาพนี้มาตั้งก็ได้มันมองมองเพ่งก็ได้อะไรก็ได้ก็แล้วแต่แต่เนี่ยแต่ถ้าเอาตรงเนี้ยมันชัดที่มันมันละเอียดที่สุดสติเพราะว่าลมมันละเอียดมันถึงต้องใช้สติสัมปชัญญะต้องพัฒนาสติสัมปชัญญะที่เด่นที้มีพลังมันจึงเป็นกรรมฐานที่เหมาะที่สุดเพราะเป็นกรรมฐานที่พัฒนาสติสัมปชัญญะด้ดีที่สุดเพราะเป็นกรรมฐานที่ละเอียดหลักการมีแค่นี้พราะโมหห์แล้มันเยอะ พอสติสัมปชัญญะมามาเกิดแทนพวกมันก็ไปทำลายโมหะไปตัดวิตกจิตก็สะอาดก็เป็นคนที่มีภาวะจิตที่แข็งแรงตั้งมั่นสะอาดพองแผ้วจิตไม่หวั่นไหวจิตตั้งมั่นใช่ไหมเออจิตเป็นกรรมดิยะควรแล้วแต่นนี้พอตั้งมั่นต่อไปควรแล้ว พอพ อ, อสมาธินี่เป็นฐานพอไปวิจัยอะไรอู้เห็นหมดเลยตอนเนี้ยเห็นอะไรชัดละเอียดแต่ก่อนมันไม่เห็นแต่ตอนนี้มันมเห็นก็ต้องอาฐานที่จิตเป็นสมาธินี่แหละเป็นฐาน<ม>เข้าใจอย่างชัดไหมเนี่ยชัดแล้วมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ได้ยากอะไรเลยมันต้องเข้าถ้าเข้าใจจนะไม่ยากถ้าไม่เข้าใจมันก็ทํามึนๆกันอยู่นั่นแหละจริงไหมละ่ะ ถ้าพูดเป็นวิชาการเป็นอีกอย่างถ้าหยิบตำลามาอ่านจะไปอีกอย่างเลยเนะี่ยถ้าพูดอย่างเงี้ยมันจะมันจะคนละเรื่องเลยมันเป็นแบบนี้ยบาลีไม่ต้องเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาคํำไทยๆเราเนี่ยพูด <c oughs> เป็นอย่างนี้แต่ยิ่งมันจะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเวลาเราเอทําไมอาณาปณะสติจึงต้องอาศัยสติและสัมปชัญญะที่มีตำลามอ๋อความละเอียดไง ยิ่งทำไปยิ่งละเอียดยิ่งทําไปยิ่งละเอียดลมยิ่งละเอียดละเอียดละเอียดเนี่ยคนสติสัมปชัญญะพัฒนาสติสัมปชัญญะไม่พอหลุดหายโอ้ก็สติสัมปชัญญะระดับนี้แหละมันถึงเกื้อกูลต่อการที่จะไปเดินวิปัสสนาญาณไปเจาะทะลุทะลวงสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้ชัดขึ้นใช่ไหมะเออเป็นอย่างนี้เห็นย่องทางการบรรู้ไม่ยาก นอนอยู่กับลมทุกวันใช่ไหมคือพอนอนพอเอลิเอลิเ